บุ๊ก <Book> 2 94ต้องให้น้ยลยกุคำสันทาน1นสมุทชยมบกติรอจนฝนหยุดก่อนบะชมอาเกนตบรวรกูอาเกนดีรอจนดิฉันเสร็จก่อน เนนพูดที่เจสันตวรกัอางันดีรอจนกว่าเขาจะกลับมาไอเนเบนักกีวัชเชนตบวรกัวอ่างนีิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งนาจุทโอารีว์กุนเนางุตานุิฉันรอจนกว่าหนังจะจบซีนิมาเยนตบวรกุนเนนอ้างุต ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Traffic light green เยนตว ร, ร์โกเอนอากุตานคุณจะไปพักร้อนเมื่อไ ห, หร่มีดเซลเวลล์ยับปุ๋เวลตุนารุก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือเวสเบกลมเซลเวลลกันเตมุนเดนะ่ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มอวุเวสวิกาลัมเซ ล, ลวลมดลบกมุนเดซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มชลิกล้เมมดลบกมุนเปไปไปกปริบอักเฉยนี้ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โตะ๊ะมีรบัลลันตกุชเนมุนเปมีเจดร์ลีสุบรันช์เฉสกุนดี ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกมีระบายได้กเวลากับมุนิปมีกี่กี่ยวมูซิเวยดีคุณจะกลับบ้านเมื่อไรหรมีอะไรอินติกีปป้ประดุวัติรูหลังเลิกเรียนหรือคลาสตาัวาตค่ะหลังเลิกเรียนเอาหนคลาสเป็นตวาตา หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปอายในเก็บประมาทเดินจากกันในตารวาตายิ่งกายในปิเช่เลเขาปหลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกาอายในบุญโยกมป่วยในตารวาตาอายในอเมริกาเวลาดูหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวย อันนั้นอเมริกาเวลินตระวาตาอันนั้นธนวรรณ